อาการคิดเองเออเองเกิดขึ้นได้กับทุกคนความเชื่อผิดๆเรียกว่าอุปาทานอุปาทานคืออาการที่จิตยึดมั่นสำคัญผิดอาการคิดเองเออเอ ง, เอเองนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็สามารถเชื่ออะไรเพี้ยนๆได้โดยไม่ต้องมีหลักฐาน สุดแต่ว่ า, าการใครจะหนักขนาดไหนเท่านั้นยึดน้อยอุปาทานน้อยอันตรายน้อยยึดมากอุปาทานมากอันตรายมากคนที่จัดว่าปกติเมื่อเกิดอาการคิดเองเออเองจะรู้ตัวว่านั่นอาจจะเป็นอาการด่วนคิดด่วนสรุปต้องรอดูก่อนว่าหลักฐานเป็นอย่างไรสมเหตุสมผลแค่ไหน อย่างเช่นซื้อหวยเพราะฝันว่าจะถูกหวยก็อรอตรวจเลขสิก่อนที่จะกระตกกระตากเมื่อถูกจริงค่อยลิงโลดเมื่อผิดไปก็ยอมรับว่าฝันทั้งเพไม่เดือดเนื้อร้อนใจอยากได้ลาบจากฝันกระทั่งเกิดความทุรนทุรายจะเอาให้ได้คนที่จัดว่าเกิดผิดปกติเมื่อเกิดอาการคิดเองเออเอง จะไม่อยากยอมรับว่าตัวเองด่วนคิดด่วนสรุปแต่ยังสองจิตสองใจสับสนอยู่ว่าตัวเองคิดถูกแน่วหรือไม่อย่างเช่นใจนึกชอบใครก็จะสังเกตประจับจุดเล็กจุดน้อยเพื่อสนับสนุนว่าเขาชอบตนเช่นกันแต่ก็ไม่กล้าถามให้รู้เรื่องตรงๆรเพราะลึกๆวันอยู่ว่าอาจไม่ใช่อย่างที่คิดคนที่จัดว่า ผิดปกติเต็มเต็มเมื่อเกิดอาการคิดเองเออเองจะไม่ยอมรับเลยว่าตัวเองด่วนคิดด่วนสรุปเอาความเชื่อของตนเป็นใหญ่ไม่สนใจหลักฐานต่อให้ใครหาหลักฐานมายืนยันว่าคิดผิดก็ไม่ยอมจำนวนอย่างเช่นคิดว่าตัวเองมีบุญมากกว่าใครสำคัญกว่าใครตนคู่ควรกับชะตารูหเท่านั้นใครทำไม่ดีกับตนเป็นบาปแต่ตน ทำไม่ดีกับใครไม่เป็นไรสิ่งที่ตนตัดสินใจฉลาดที่สุดสิ่งที่ตนเชื่อมีแต่ถูกกับถูกเท่านั้นเหตุผลที่กลั่นจากสมองทั้งหมดเพื่อยืนยันความเชื่อไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ความเชื่อคนประเภทผิดปกติเต็มเต็มนี้จัดเป็นอันตรายต่อสังคมเพราะคนเหล่านั้นสะกดจิตตัวเองให้คิดว่าเป็นร่างทรงของเทพเจ้าได้ กครั้งนุงเนีคนที่ตัวเองแอบหลงรักได้เพราะไม่ชอบใครก็รู้สึกชอบทมที่จะกำจัดทิ้งได้อุปาทานเป็นสิ่งที่พอกผูไนได้ลดทอนได้อย่างเช่นผู้ที่ใช้เหตุผลแบบเป็นวิทยาศาสตร์ก็สามารถทำอุปาทานที่เจือจางลงแต่ถ้าถึงขั้นบูชาวิทยาศาสตร์เป็นสารณะก็มีสิทธิ์เกิดอุปาทานชนิดใหม่อยู่ดี คืออะไรอะไรต้องพิสูจน์ได้จับต้องได้ด้วยหูตาหรือเนื้อตัวเท่านั้นวิทยาศาสตร์จึงไม่อาจลดอันตรายมันเกิดจากความสำคัญผิดบางอย่างเช่นกรรมทำแล้วก็แล้วไปไม่มีผลข้างหน้าพุทธเรามีด่านหน้าเป็นศาสนาต้องอาศัยศรัทธาในบุคคลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นตัวตั้งต่อเมื่อใครผ่านด่านแรกไปถึงด่านสุดท้าย ก็จะพบว่าพุทธไม่ใช่ศาสนาแต่เป็นสถาบันเปิดเผยความจริงซึ่งคาอุปาทานได้ทั้งหมดโดยชีย้ให้เห็นข้อเท็จจริงมูลฐานในตนทำลายความเชื่อว่าลมหายใจเป็นตัวตนด้วยการปฏิบัติให้เห็นจริงว่าลมหายใจไม่เที่ยงทำลายความเชื่อว่ากายนี้เป็นตัวตนด้วยการปฏิบัติให้เห็นจริงว่า กายทั้งปวงกำลังเปลี่ยนแปลงอยู่ทำลายความเชื่อว่าความรู้สึกนึกคิดและจิตวิญญาณเป็นตัวตนด้วยการปฏิบัติให้เห็นจริงว่าสิ่งเหล่านั้นไม่เคยเหมือนเดิมผลของการทำลายอุปาทานได้คือการไม่เป็นทุกข์เฉพาะตนผลของการลดทอนอุปาทานได้คือการลดทอนทุกข์เฉพาะตน